ทุกกะรูปเป็นที่อาศัยเกิดของจักขุสัม <el> ผัสนั้นเป็นไนจักขายตนะรูปนี้ชื่อว่าเป็นที่อาศัยเกิดของจักขุสัมผัสรูปไม่เป็นที่อาศัยเกิดของจักขุสัมผัสนั้นเป็นไนโสตายตนะละถึงกาวลิงกะราหานรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นที่อาศัยเกิดของจักขุสัมผัสรูปเป็นที่อาศัยเกิดของเวทนาที่เกิดแต่จักขุสัมผัส ของสัญญาของเจตนาของจากขูวิญญาณนั้นเป็นไนจากขายาตนะรูปนี้ชื่อว่าเป็นที่อาศัยเกิดของจากขุวิญญาณรูปไม่เป็นที่อาศัยเกิดของจากขุวิญญาณนั้นเป็นไนโสตญาตนะละถึงกวลินกราหานรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นที่อาศัยเกิดของจากขุวิญญาณรูปเป็นที่อาศัยเกิดของโสตสัมผัสของภาณสัมผัส ของชิวหาสัมผัสของกายสัมผัสนั้นเป็นไฉนกายายตนะรูปนี้ชื่อว่าเป็นที่อาศัยเกิดของกายสัมผสัสรูปไม่เป็นที่อาศัยเกิดของกายสัมผัสนั้นเป็นไฉนจากขายาตนะละถึงกาวลิงกราหารรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นที่อาศัยเกิดของกายสัมผสัสรูปเป็นที่อาศัยเกิดของเวทนาที่เกิดแต่กายสัมผัส ของสัญญาของเจตนาของกายาวิญญาณ น, นั้นเป็นไนกายายตนะรูปนี้ชื่อว่าเป็นที่อาศัยเกิดของกายาวิญญาณรูปไม่เป็นที่อาศัยเกิดของกายาวิญญาณ น, นั้นเป็นไนจากขายตนะละถึงกาวเวเลงกราหาน ร, รูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นที่อาศัยเกิดของกายาวิญญาณวัตถุทุกกะจบอารามณณทุกกะ รูปที่เป็นอารมณ์ของจักขุสัมผัสนั้นเป็นไนรูปายตนะรูปนี้ชื่อว่าเป็นอารมณ์ของจักขุสัมผัสรูปที่ไม่เป็นอารมณ์ของจักขุสัมผัสนั้นเป็นไนจักขายตนะและถึงกาวลิงกราหานรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นอารมณ์ของจักขุสัมผ <at> ัสรูปที่เป็นอารมณ์ของเวทนาที่เกิดแต่จักขุสัมผัสของสัญญาของเจตนาของจักขุวิญญาณ นั้นเป็นไนรูปายตนะรูปนี้ชื่อว่าเป็นอารมณ์ของจักรวิญญาณรูปที่ไม่เป็นอารมณ์ของจักรวิญญาณนั้นเป็นไนจากขายาตนะกวลิงกราหานรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นอารมณ์ของจักรวิญญาณรูปที่เป็นอารมณ์ของโสตะสัมผัสของคานะสัมผัสของเชียวหาสัมผัสของกายะสัมผัสนั้นเป็นไนโพธพายาตนะ รูปนี้ชื่อว่าเป็นอารมณ์ของกายสัมผัสรูปที่ไม่เป็นอารมณ์ของกายสัมผัสนั้นเป็นไฉนจิกขายาตนะกวาลิงกราหานรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นอารมณ์ของกายสัมผัสรูปที่เป็นอารมณ์ของเวทนาที่เกิดแต่กายสัมผัสของสัญญาของเจตนาของกายวิญญาณนั้นเป็นไฉนโพธพายตนะรูปนี้ชื่อว่าเป็นอารมณ์ของกายวิญญาณ รูปที่ไม่เป็นอารมณ์ของกายยวิญญาณ น, นั้นเป็นไนาจากขายตนะกาวลีนกราหาน ร, รูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นอารมณ์ของกายยวิญญาณอารามณะทุกกะจบหายตนะทุกกะรูปที่เป็นจากขายตนะนั้นเป็นไนาจากสุใดเป็นภาษาทรูปอาศัยมหาพุตรูปสีและถึงนี้ชื่อว่าบ้านว่างบ้าง รูปนี้ชื่อว่าเป็นจักขายาตนะรูปที่ไม่เป็นจักขายาตนะนั้นเป็นไนโสตายญตนะละถึงกรวลินกราหานรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นจักขายาตนะรูปที่เป็นโสตายญตนะเป็นคานายญตนะเป็นชิวหายญตนะเป็นกายายญาตนะนั้นเป็นไนกายใดเป็นปัสสัรูปอาศัยมหาปูตรูปสี่และถึง นี้ชื่อว่าบ้านว่างบ้างรูปนี้ชื่อว่าเป็นกายายตนะรูปที่ไม่เป็นกายายตนะนั้นเป็นไนจากขา in ยัตนะกวลิงกราหานรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นกายายตนะรูปที่เป็นรูปายตนะนั้นเป็นไนรูปใดเป็นสีต่างๆอาศัยมหาภูตรูปสี่นิชื่อว่ารูปประทาดบ้ า, างรูปนี้ชื่อว่าเป็นร<ๆ>ูปลายตนะ รูปที่ไม่เป็นรูปายตนะนั้นเป็นไนจากขายตนกะกาวลิงการาหาน ร, รูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นรูปายตนะรูปที่เป็นสัทธายตนะเป็นคันทายตนะเป็นรส า, ายาตนะเป็นโพธพายตนะนั้นเป็นไนปัทวีธาตละถึงนิชื่อว่าโพธพธาต์บ้างรูปนี้ชื่อว่าเป็นโพธพายตนะ รูปที่ไม่เป็นโพธพายตนะนั้นเป็นไนจากขายตนะกะวิเลกกราหานรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นโพธพายตนะอายตนะทุกกะจบท่าตุทุกกะรูปที่เป็นจากขูธท่านั้นเป็นไนจากขาญตนะรูปนี้ชื่อว่าเป็นจากขูธทาตนรูปที่ไม่เป็นจากขูธท่านั้นเป็นไนโสตายาตนะกะวิเลกกราหาน รูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นจักขู่ธาตุรูปที่เป็นโสตธาตุเป็นขานาธาตุเป็นชิวหาธาตุเป็นกายธาตุนั้นเป็นฉไหนกายยตนะรูปนี้ชื่อว่าเป็นกายธาตุรูปที่ไม่เป็นกายธาตุนั้นเป็นฉไหนจักขายตนะกาวลิงคาราหานรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นกายธาตุรูปที่เป็นรูปธาตุนั้นเป็นชฉไหนรูปายตนะ รูปนี้ชื่อว่าเป็นรู ป, ปธาตุรูปที่ไม่เป็นรู ป, ปธาตุนั้นเป็นไนจากขายาตนะเกาเวียนกราหาน ร, รูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นรู ป, ปธาตุรูปที่เป็นสัทธาธาตุเป็นคันธาตุเป็นรสธาตุเป็นโพธพธาตุนั้นเป็นไนโพธพญาตนะรูปนี้ชื่อว่าเป็นโพธพธาตุรูปที่ไม่เป็น well โพธพธาตุนั้นเป็นไนจากขายาตนะ กวเรงกราหารรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นโพธะพระธาตุธาตุทุกกะจบอินทริยทุกกะรูปที่เป็นจักขุนสีนั้นเป็นไนจากสุใดเป็นภาษาทรูปอาศัยมหาภูตรูปสีนิชื่อว่าบ้านว่างบ้างรูปนี้ชื่อว่าเป็นจักขุนสีรูปที่ไม่เป็นจักขุนสีนั้นเป็นไนโสตายตนะกวเรียงกราหาร รูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นจกักขุนสีรูปที่เป็นโสตินรีเป็นคานินรีเป็นชิวหินสีเป็นกายยินรีนั้นเป็นไฉไหนกายใดเป็นภาษาทรุปอาศัยมหาภูตรูปสีนิชื่อว่าบ้านว่างบ้างรูปนี้ชื่อว่าเป็นกายยินสีรูปที่ไม่เป็นกายยินรีนั้นเป็นไฉหนจากขาญตนะควลิงกราหารรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นกายินศี รูปที่เป็นอิตถินสีนั้นเป็นไหนส่อทรงหญิงเครื่องหมายประจำเพศหญิงกริยาหญิงอาการหญิงสภาพหญิงภาวะหญิงของสตรีรูปนี้ชื่อว่าเป็นอิตถินสีรูปที่ไม่เป็นอิตถินสีนั้นเป็นไนจะคล้าย า, ายตนะกวลียนกระหาน ร, รูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นอิทธินศีรูปที่เป็นปุริศินศีนั้นเป็นไงนส่อทรงชาย เคลื่องหมายประจำเพศชายกิริยาชายอาการชายสภาพชายภาวะชายของบุรุษรูปนี้ชื่อว่าเป็นปริศินสี่รูปที่ไม่เป็นปริศินสี่นั้นเป็นไนจากขาญตนะกาวเลียนกราหาน ร, รูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นปริศินสี่รูปที่เป็นชีวิตินรีนั้นเป็นไนอายุความดำรงอยู่ความเป็นไปกิริยาที่ให้เป็นไป อาการที่สืบเนื่องกันความดำเนินไปความหล่อเลี้ยงชีวิตชีวิตจินทร์สีแห่งสภาวธรรมที่เป็นรูปเหล่านั้นรูปนี้ชื่อว่าเป็นชีวิตจินทรีสีรูปที่ไม่เป็นชีวิตจินทร์สีนั้นเป็นไนจากขาญาตนะเขาเวียนกราหาน ร, รูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นชีวิตจินทร์สีอินทริยะทุกกะจบสุขุมรูปะทุกกะ รูปที่เป็นกายวิญยตินั้นเป็นไนความเข้มแข็งยิริยาที่เข้มแข็งด้วยดีภาวะที่เข้มแข็งด้วยดีการแสดงให้รู้ความหมายยิริยาที่แสดงให้รู้ความหมายภาวะที่แสดงให้รู้ความหมายแห่งกายของบุคคลผู้มีจิตเป็นกุศลมีจิตเป็นอกุศลมีจิตเป็นอัพยากริดก้าวไปอยู่ถอยกลับอยู่แลดูอยู่เหลียวดูอยู่คู้เข้าอยู่ หรือเหยียดออกอยู่รูปนี้ชื่อว่าเป็นกายวิญยัต ร, รูปที่ไม่เป็นกายวิญยัตนั้นเป็นไนจากขาญตนะกาวเลงกรลาหาน ร, รูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นกายวิญยัต ร, รูปที่เป็นวจีวิญยัตนั้นเป็นไนการพูดการเปล่งวาจาการเจรจาการกล่าวการเป่าร้องการโฆษณาวาจาวจีเพศ แห่งบุคคลผู้มีจิตเป็นกุศลมีจิตเป็นอกุศลหรือมีจิตเป็นอัพญากรินี้เรียกว่าวาจาการแสดงให้รู้ความหมายคิริยาที่แสดงให้รู้ความหมายภาวะที่แสดงให้รู้ความหมายด้วยวาจานั้นรูปนี้ชื่อว่าเป็นวจีวิญญัตรูปที่ไม่เป็นวจีวิญยัต น, นั้นเป็นไนาจากขาญาตณะกาวิงกราหาน ร, รูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นวจีวิญยัต รูปที่เป็นอากาศธาตุนั้นเป็นไนอากาศธรรมชาติที่นับว่าอากาศความว่างเปล่าธรรมชาติที่นับว่าความว่างเปล่าช่องว่างธรรมชาติที่นับว่าช่องว่างซึ่งมหาพรตรูปสีถูกต้องไม่ได้รูปนี้ชื่อว่าเป็นอากาศธาตุรูปที่ไม่เป็นอากาศธาตุนั้นเป็นไนจากขายาตินะกาวริณกะราหานรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นอากาศธาตุ รูปที่เป็นอาโปธาตุนั้นเป็นไนความเ อ, อิบอาบธรรมชาติที่เอิบาบความเหนียวธรรมชาติที่เหนียวธรรมชาติเป็นเครื่องเกาะกลุ่มรูปรูปนี้ชื่อว่าเป็นอาโปธาตุรูปที่ไม่เป็นอาโปธาตุนั้นเป็นไนจากขาญตนะกาวเินกระาหานรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นอาโปธาตุรูปที่เป็นละหุตารูปนั้นเป็นไนความเบาความรวดเร็ว ความไม่เชื่องช้าความไม people, ่หนักแข็งร pues ูปร nope ูปนี้ชื่อว่าเป็นละหุตารูปรูปที่ไม่เป็นละหุตารูปนั้นเป็นไนจากขายาตนะเกวลวิงกราหานรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นละหุตารูปรูปที่เป็นมุทุตารูปนั้นเป็นไนความอ่อนภาวะที่อ่อนความไม่แข็งความไม่กระร้างแข็งรูปรูปนี้ชื่อว่าเป็นมุทุตารูป รูปที Lux ่ไม่เป็นมุทุตารูปนั้นเป็นไนจากขาญตณะเกวโวเลนกะราหานรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นมุทุตารูปรูปที่เป็นกรรมยตารูปนั้นเป็นไนความควรแก่การงานที่ควรแก่การงานภาวะที่ควรแก่การงานแห่งรูปรูปนี้ชื่อว่าเป็นกรรมยตารูปรูปที่ไม่เป็นกรรมยตารูปนั้นเป็นไนจากขาญตณะ กาวลิงกรราหานรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นกรรมัญตารูปรูปที่เป็นอุปจยารูปนั้นเป็นไนความแรกเกิดแห่งอายตนะนั้นเป็นความเกิดขึ้นแห่งรูปรูปนี้ชื่อว่าเป็นอุปจยะรูปรูปที่ไม่เป็นอุปจยารูปนั้นเป็นไนจากขายายตนะกาวลิงกรราหานรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นอุปจยารูป รูปที่เป็นสันตติรูปนั้นเป็นไนความเจริญแห่งรูปนั้นเป็นความสืบต่อแห่งรูปรูปนี้ชื่อว่าเป็นสันตติรูปรูปที่ไม่เป็นสันตติรูปนั้นเป็นไนจากขายตนะเกาวลิงกราหานรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นสันตติรูปรูปที่เป็นชรตารูปนั้นเป็นไนความชราความคร่ำค่าความมีฟันหลุดความมีผมหงอก ความมีหนังเหยวความเสื่อมอายุความงอมแห่งอินทรีย์แห่งรูปรูปนี้ชื่อว่าเป็นชรตารูปรูปที่ไม่เป็นชรตารูปนั้นเป็นไนจากขายาตนะเกาวลิงกราหานรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นชรตารูปรูปที่เป็นอนิจจตารูปนั้นเป็นไนความสิ้นไปความเสื่อมไปความแตกความทำลายความไม่เที่ยง ความอันตรธานแห่งรูปรูปนี้ชื่อว่าเป็นอนิจจารูปรูปที่ไม่เป็นอนิจจารูปนั้นเป็นชนัยจากขายตนะกาวิงกราหารรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นอนิจจารูปรูปที่เป็นโกวิงกราหารนั้นเป็นช น, นเข้าสุก ข, ขนมสดขนมแห้งปลาเนื้อนมสดเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อย หรือรูปแม่อื่นมีอยู่ที่พึงกินทางปากขบเคี้ยวกลืนกินอิ่มท้องซึ่งมีโอชาเป็นเหตุให้จัดในสถานที่นั้นๆดํารงชีพอยู่ได้รูปนี้ชื่อว่าเป็นโกวเดีนกะราหารรูปที่ไม่เป็นโกวเดีนกะราหารนั้นเป็นไนาจากขายาตนะละถึงอนิจจตารูปรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นโกวเดียกะราหาร สุคุมารูประทุกะจบรวมรูปหมวดละสองอย่างนี้ทุกกะนิเทศจบตึกกะนิเทศปกินกะถึกะกะอจัดถึกกะอุปาธาถึกกะ รูปที่เป็นภายในเป็นอุปาทายรูปนั้นเป็นไฉนิจขาญาตนะละถึงกายญาตนะรูปที่เป็นภายในนี้ ช, JO, นชื่อว่าอุปาทายรูปรูปที่เป็นภายนอกเป็นอุปาทายรูปนั้นเป็นไฉนรูปายตนะละถึงโกรวิงกราหานรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าเป็นอุปาทายรูปรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นอุปาทายรูปนั้นเป็นไฉน โธทพายตนะและอาโปธาตุรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าไม่เป็นอุปาทายรูปอาชัตติกะอุปาทินะติกะรูปที่เป็นภายในเป็นรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือนั้นเป็นไฉนจิกขาญตนะกายญายตนะรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่ากรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือ รูปที่เป็นภายนอกเป็นรูปเที่ยกรรมอันประกอบด้วยตัญหาและทิฏฐิยึดถือนั้นเป็นฉไฉนอิทินสีปุริสินสีและชีวิตินสีหรือรูปแม่ื่นมีอยู่ได้แก่รูปายตนะคันทายตนะรส า, า, าตนะโพธพายตนะอากาสะธาต์อโปธาต์อุปจยรูปสันตติรูปและกาวริงกราหารเที่ยกรรมปรุงแต่งขึ้น รูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่ากรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือรูปที่เป็นภายนอกเป็นรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือนั้นเป็นไฉ น, นสัทธายตะนะกายวิญญาตวจีวิญญัตละหุตารูโมทุตารูกรรมัญญตารูปชรตารูและอนิจจตารูปหรือรูปแม่ออ่นมีอยู่ได้แก่รูปายตนะคันทายตนะ ราสายตนะโพธพายาตนะาาตนะอากาศธาตุอาโปธาตุอุปจยายรูปสันตติรูปและกอริยกราหานที่กรรมไม่ได้ปรุงแต่งขึ้นรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่ากรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถืออเชติกะอุปาทิโนปาทานิยติกระรูปที่เป็นภายในเป็นรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาทิฏฐิยึดถือ และเป็นอารมณ์ของอุปาทานนั้นเป็นไฉ น, นจากขายาตนะกายายติณะรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่ากรรมอันประกอบด้วยตัณหาทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานรูปที่เป็นภายนอกเป็นรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานนั้นเป็นไฉนอิถินสีปุริสินสีและชีวิตินสีหรือรูปแม่อื่นมีอยู่ได้แก่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 แต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานนั้นเป็นไนสัตายตนะปายวิญญาตวจีวิญญัตและหุตารูปมุทุตารูปกรร ม, มัญยตารูปชรตารูปและอนิจจตารูปหรือรูปแม่อื่นมีอยู่ได้แก่รูปายยตนะคันทายตนะรษ า, ายยตนะโพธพายยตนะอากาศะธาต์อาโปาธปาต์อุปัจยารูปสันตติรูป และกาวลิงกราหานที่กรรมไม่ได้ปรุงแต่งขึ้นรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่ากรรมอันประกอบด้วยตันหารและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทาน อ, ชอนนาชาติกะอนิทัศนะติกะรูปที่เป็นภายในเป็นรูปที่เห็นไม่ได้นั้นเป็นไฉนจักขายัตนะกายายัตนะรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าเห็นไม่ได้ รูปที่เป็นภายนอกเป็นรูปที่เห็นได้นั้นเป็นไฉนรูปายตนะละถึงรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าเห็นได้รูปที่เป็นภายนอกเป็นรูปที่เห็นไม่ได้นั้นเป็นไฉนสัตยายตนะเราเวียงกะราหานรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าเห็นไม่ได้อาชิตตะกะสัปตะคะตะกะรูปที่เป็นภายในเป็นรูปที่กระทบได้นั้นเป็นไฉน <lavoro S 2> จากขายตนะกายายยตนะรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่ากระทบได้รูปที่เป็นภายนอกเป็นรูปที่กระทบได้นั้นเป็นไนรูปปายตนะโพธพายยตนะรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่ากระทบได้รูปที่เป็นภายนอกเป็นรูปที่กระทบไม่ได้นั้นเป็นไนอิถิงสีละถึงกัลวิงกะราหานรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่ากระทบไม่ได้ อาชาติกะอินทริยตถิกะรูปที่ e. สสเป็นภายในเป็นอินทริยรูปนั้นเป็นไฉไนจากขุนศีกายินศีรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าเป็นอินทริยรูปรูปที่เป็นภายนอกเป็นอินทริยรูปนั้นเป็นไฉนรอิถินศีปุริสินศีและชีวิตินสีรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าเป็นอินทริยรูปรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นอินทริยรูปนั้นเป็นไฉ รูปายตนะกาวเรียนกราหานรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าไม่เป็นอินทรียรูปอชัตติกะนมหาภูตติกะรูปที่เป็นภายในไม่เป็นมหาภูตรูปนั้นเป็นไนจะขายัตนะกายายตนะรูปที่เป็นภายในนี้ชื่อว่าไม่เป็นมหาภูตรูปรูปที่เป็นภายนอกเป็นมหาภูตรูปนั้นเป็นไนโพธพายตนะ อาโปธาตุรูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าเป็นมหาภูตรูปรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นมหาภูตรูปนั้นเป็นไนรู ป, ปายตนะกาวลิงกะราหาน ร, รูปที่เป็นภายนอกนี้ชื่อว่าไม่เป็นมหาภูตรูปอาชะติกะนวิญยะ